พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบชื่อธีฆานิกายมหาวัคเป็นสุดตันตปิฎกทีฆานิกายเป็นที่รวมแห่งพระสูตรขนาดยาวและคําว่ามหาวรคตั้งชื่อตามสูตรแรกที่มีคําว่ามหาอยู่หน้าคือมหาประธานสูตรอันหนึ่งในวรคนี้มีสูตรที่มีคําว่ามหาอยู่หน้าหลายสูตรด้วยกัน และพระสูตรทั้งสิบสูตรในเล่มนี้มีลำดับดังต่อไปนี้ 1. มหาประธานสูตรว่าด้วยข้ออ้างใหญ่กล่าวถึงประวัติและเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์และพระประวัติละเอียดของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. มหานิทานสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่กล่าวถึงปฏิจจสมุ ป, ปบาท หรือกฎแห่งเหตุผลที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่รวมทั้งทฤษฎีเรื่องอัตตา 3. ม, มหาปรินิพานาสูตรว่าด้วยมหาปรินิพานของพระพุทธเจ้าเริ่มด้วยเหตุการณ์ก่อนปรินิพานจนถึงแจกพระบรมสารีริกธาตุสมหาสุทัศนสูตรว่าด้วยประวัติพระเจ้ามหาสุทัศนจักรพรรด เป็นเรื่องตรัสเล่าแก่พระอ น, นุ์ในเวลาใกล้ปริณิพานห้าชนวสพสูตรว่าด้วยยักษ์ชื่อชนวสพกราบทูลเรื่องราวต่างๆแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าแก่พระอ น, นุ์อีกต่อหนึ่งหกมหาโควินทสูตรว่าด้วยมหาโควินทพราหมเจ็ดมหาสมยสูตร ว่าด้วยการประชุมใหญ่เป็นการประชุมของเทวดาซึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 8. ปสักยะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาของเท้าสักกะ10ข้อ 9. มหาสติประธานสูตรว่าด้วยการตั้งสติแบบใหญ่สี่อย่างคือการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมหรือธรรมะ สิปายาสิราชัญญสูตรว่าด้วยพระเจ้าปายาสิผู้ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดแสดงการโต้ตอบระหว่างพระกุมารกัสปะกับพระเจ้าปายาสิอย่างละเอียด